เรื่องแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำสามร้ภิกษุทั้งหลาย ถ, า you ถ, ismus, ถ้าเป็นกรรมที่แบ่งพวกโดยไม่ชอบทำไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้าเป็นกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบทำไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้าเป็นกรรมที่แบ่งพวกโดยชอบทำ ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้าเป็นกรรมที่แบ่งพวกโดยทมปฏิรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้าเป็นกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้าเป็นกรรมยติวิบัติแต่อนุสาวนาสมบูรณ์ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ ถ้าเป็นกรรมอนุสาวนาวิบัติแต่ยติสมบูรณ์ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทมถ้าเป็นกรรมที่ยติวิบัติอนุสาวนาวิบัติไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำกรรมที่เว้นจากธรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำกรรมที่เว้นจากวินัยไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทม กรรมที่เว้นจากสัตว์ศาสตร์ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำถ้ากรรมที่ถูกค้านแล้วขืนทำไม่ชอบทำไม่ถูกต้องและไม่ควรแก่เหตุก็ไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ